เห็นทำเห็นทำคือเห็นอะไรไม่เห็นทำคือเห็นการกระทําของเราเองอะไรเห็นทำเห็นว่าเราทําเป็นยังไงหนักหรือเบาจับเวลาเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูนี่เห็นไหมนี่เห็นทำคือเห็นอย่างนี้นะอไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเวลานั่งนานๆเห็นตัวเองปวดเมื่อเห็นไหมเห็นไปนั่งไปแล้วคิดเรื่องนั้นนี้ตป๊ออกไปได้เห็นมเห็นสามทำนะ เห็นสามกรรมกายกรรมก็เห็นวิชีกรรมก็เห็นมนกรรมก็เห็นถ้าเห็นสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมเพราะอะไรเห็นแล้วมันไม่เห็นเฉยๆแต่เห็นแล้วเห็นเฉยๆนี่เร็วยังไม่เห็นธรรมนะเห็นแล้วเข้าไปทาเข้าไปทำแล้วทำไปแก้ไขถ้ามันมีปัญหาแก้ไขไม่มีถ้ามันมีทุกข์ก็แก้ไขไม่ทุกข์ถ้ามันมีอะไรที่มันตินอกุศลน่ะแก้ไขให้มันเป็นกุศลซะนี่ก็เรื่องเห็นธรรม เมื่อคนเห็นธรรมแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมน <ad> ี้เรียกว่าเห็นแบบไม่เห็นนั่นแหละม่เห็นธรรมเห็นธรรมเห็นการกระทำของตัวเองเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสบายเห็นสมอไม่สบายเห็นการโยกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไเห็นหมดเลยเห็นธรรมานี้แล้วมันเลยใจมันไปทางอื่นไหมไม่อยากไปเพราะไปทางอื่นมันมันไม่เห็นนะจ๊ะแต่กลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองมันเห็นเรียกว่าเห็นธรรม เห็นถูกเห็นผิดเห็นอะไรต่างอ๋อพูดอย่างนี้มันผิดนี่ฮะไม่ใช่ทำละเปลี่ยนคําพูดใหม่นะแล้วมีคําพูดหนึ่งที่ท่านพูดมาพูทธศาสนาเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งไม่ใช่เรื่องลึกลับคําว่าลึกลับกับลึกซึ้งนี่ต่างกันยังไงต่างกันยังไงสมมุติว่าเราไปที่ไปที่แม่น้ําโอ้น้ํานี่ลึกใช่ไหม เออลึกลงไปยังได้แต่จะลึกลับนี่มันบอกว่าโอ้มันมีแม่น้ําอยู่แห่งหนึ่งนะอยู่ในเขาพูดถึงเมืองลาวนะยงที่คอนเนติกันบอกว่าที่ภูเขาควายเนี่ยมันมีเข้าไปแล้วมันมีอีมิติหนึงหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปแล้วถ้าหากว่าใครมีบุญกุศลน่ะจะได้เห็นประตูเปิดเข้าไปสู่ลุมขุ่เงินคขูครองทั่วถ้าใครไม่มีบุญก็จะไม่เห็นเหมือนอันนี้ก็เลื่องลึกลับ <PU ES> คือเห็นได้บางคนไม่เห็นได้บางคนมันมีข้อแม้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นลึกซึ้งไห้เห็นได้ทุกคนคนที่อย่างแต่ลึกลับนี่มีข้อแม้ว่าต้องมีอันนั้นอันนี้ถึงจะเห็นไม่มีอันนั้นไม่เห็นอันนี้เขาเรียกลึกลับพรามณ์ชอบใช้อันนี้ฮามชอบใช้เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่พราหมณ์เป็นลักษณะลึกลับแล้วเราก็ใช้เรื่องลึกลับน aren, ี่มาหากินกันพวกหมอดูหมอเดาพวกหูเนี่ยไปลึกลับทั้งนั้นนะ่ะแต่พวกวิทยาศาสตร์ นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งคือมาเห็นเห็นกันชัดๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่วิทยศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์อยู่เหนือศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านจบมาถึง18ศาสตร์ท่านยังไม่พอใจพอท่านมาเข้าถึงพุทธศาสตร์แล้วท่านก็จบแค่นั้นคือศาสตร์แห่งการรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าศาสตร์แห่ง ความลึกซึ้งนะครานั้นชมงเช้ชานี้ก็ได้เวาล า, ารับประารเราเดินออกไปผ่อนคล า, ายัก